ตวายความวารับอยังเพื่อนสาวธรรมิกตุกรูปจเจรลินพรจันลินในธรรมยังคุณแม่ชีนักเรียกธรรมทุกท่านออามือลงอามือลงนั่งฟังธรรมดาธรรมดานี่แหละก็ถือว่ามีคนมาทำวัดหนาตาก็จำนวนมาก นะเป็นชาวต่างชาติคนจีนก็ฟังเอาพลังงานจากน้ำเสียงประโดยภาษาเดี๋ยว่ำก็ไปแปลอีกทีนึงให้เขาฟังแต่จะแปลถูกทั้งหมดหรือเปล่าในไม่แน่ใจนี่ฉันะเดี๋ยวก่อนที่จะพูดนะก็ขอให้ เข้าถึงความจริงสักสามนาทีห้านาทีจะได้หรือไม่บ่อยก็นั่งปฏิบัติกันไปเข้าถึงตัวนี้ก่อนพอถ้าฟังไปเดี๋ยวไม่รู้เรื่องก็จะนั่งห้อเหาๆนอนกันกนเบื่อเซ็งก็เราเคยไปต่างประเทศเนี่ยเวลาฟังภาษาก็ไม่รู้เรื่องบีมันน่าเบือ่อเนีมันเซ็งบอกไม่ถูกเดี๋ยวเราเข้าถึงในตัวปฏิบัติกัน เี่ทั้งหมดเนี่ยสามนาทีห้านาทีมันก็โอ้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเนั้นเดี๋ยวขอเงียบก่อนสักสองสามนาทีแล้วก็ปฏิบัติในวันี้สนามนี้นะวัดนี้นะเราปฏิบัติกันมาแบบรู้สึกตัวมีการเคลื่อนการไหว14จังหวะมาบอกเลยวัดนี้ถ้าไปได้14จังหวะไม่ได้เป็นเรื่องของ การปัตแบบแนวเคลื่อนไหวหลวงปู่เทียนก็อาตมาไม่มาบวช ด, ด้วยคนหนึ่งแล้วมีหลวงพ่อเขียนตัณฑ์ชีนําอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเดินรมจากครูบาอาจารย์หลวงปู่เทียนจีนโปคนสร้างวัดสร้างวางนหลวงพ่อบุญธรรมก็เน้นในสายงานนะให้เราได้เคลื่อนไหวมันเป็นเหตุเป็นสาเหตุทําให้เราได้มารู้จักตัวเอง รู้จักกายรู้จักจิตใจของเราวันเดียวก็คุณเจ้าคนจีนนะแล้วก็คุณแมชีที่บทกันมานะสัะก3านาที5นาทีแล้วก็รวมทั้งกลุ่มที่เพิ่งมาเมื่อวานด้วยนะ ที่ได้ตั้งใจเอาไว้ประมาณสักสานาทีหนาทีให้มีการเคลื่อนการไหวการมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมฝึกหัดปฏิบัติธรรมโพรดยามสองครั้ง เป็นปฏิกิยาที่ใจของเราเนี่ยละ่ะเปิดปฏิธรรมต้องลงมือกระทําลงไปด้วยไม่งั้นเป็นกรรมตลอดจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนเป็นกรรมกรรมดีกรรมชั่วตลอดเป็นบุญเป็นบาปตลอดขึ้นนรกขึ้นสวรรค์ตลอดจะลงนรกลงสวรรค์ตลอดไม่รู้สวรรค์อยู่ไหนมันขึ้นหรือลงไม่รู้ ใจของเราเนะี่ยมีขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดตอนตื่นยันหลับคุ้มดีคุ้มร้ายฟูๆแฟบๆ แ, แม่จีจีนฟังคำสองคำก็นั่งหาวแล้วอย่างนี้ต้องร้องเพลงตะตุงตุวงให้ฟังเปล่าภาษากายภาษาใจ อาการของแก่าการของใจภาษาธรรมธรรมชาติธรร ม, มะมีอยู่ที่ตัวเราครานี้การที่เรากลับมารู้สึกตัวทําให้เห็นธรรมชาติในตัวเราแ ป, ปลปรวนทั้งวันทั้งคืนกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดที่เรามารู้สึกตัวพลิกมือรู้สึกตัวยกมือรู้สึกตัวทําเล่นๆไปวันๆจะเห็นตัวเอง เหมือนที่เราสวดเป็นสักครู่สังขารคือจิตใจะ น, นตัวเนี้ยตัวหนึ่งและจิตตสังขารสังขารคือร่างกายนะร่างกายจิตใจตัวชีวิตของเรากายะสังขารจิตตสังขาราร่างกายรูปธรรมจิตใจเป็นนามธรรมนันมีอยู่แต่เราไม่รู้ของมีอยู่แต่เราไม่รู้ มรรคผลนิพพานก็มีอยู่แต่เราก็ไม่รู้ของมันมีไม่ใช่ไม่มีแต่เพราะความไม่รู้เพราะความหลงนี่นแหละก็เลยหลงไปหมดวันไม่เห็นทำแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเรามันก็เลยเป็นเรื่องที่ เกิดมาญยอปุนเนี่ย น, นั่งอยู่ที่นีน่มีหัวตั้งบนบ่ามีมือสองมือมีขาสองขามันก็เลยเป็นอย่างที่มันเป็นกืนไม่เข้าใครไม่ออกไม่รู้จะอยู่ก็นยังไงการใช้ชีวิตดำารงชีวิตเราสับสนยุ่งเหยิงไปหมดชีนนำสร้างกระแสยั่วยุยั่ว ย, ยวนแล้วก็ กลายเป็นคนงงตัวเองพอเรามารู้สึกตัวมันก็จัดระเบียบให้เราคืนสู่ปกติของเราธรรมชาติเดิมๆธรรมดาธรรมดากินก็ได้นอนก็หลับถ่ายก็สะดวกอยู่ที่ไหนก็ได้มีศิละปะในการดำรงชีวิตถ้าไม่ฝึกไม่หนะัดกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับ นะวัดนี่น่ากลัวที่สุดเลยเมื่อวานมีอยู่คนนึงเป็นแม่ยายพัเอพแจที่เคยบวชที่นี่ทิดแจนะไฟังเอามาลฟ์ฟังเมื่อวานมีเหตุการณ์ประสบการณ์ตรงไม่ได้นินทาแต่ก็บอกให้ฟังบอกเขาด้วยบอกเราด้วยใส่จมูเพชรนะใส่แหวนเพชร อายุประมาณจะ80บ้านะเขียนคิ้วทาปากพาปฏิบัตินี่ไม่ได้เลยนะยกมือสร้างชัดสัก3าที5้าทีนี่ไม่ได้เลยนะร้อนลุ่มคนแก่อายุ80บแล้วนอนต้องพาไปเก็บถั่วฝักยาวพาไปเก็บมะเขือพาไปเก็บกระเจี๊ยบต้องเดินพาไปให้ปฏิบัติไม่ได้เลย แล้วก็บอกว่าเนี่ยโยมอายุปูนนีแเราปฏิบัตินะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกท่านยังไม่ถึงเวลาหรอกยังไม่ถึงเวลาอายุยังยืนยาวเขาว่าบบนันนะยังไม่จำเป็นต้องปฏิบัติกว่ามันก็เลยอืมคนนี่ ไปบอกแค่วัตถุบัติก็ไม่ปฏิบัติก็มีนะก็ไม่ศรัทธาไม่เชื่อไม่เชื่อในมรรคในผลมีอยู่ก็ไม่เป็นไรอย่างว่าเรามารวมตัวกันทำวัดเช้าก็เชื่อว่าเรามีความเชื่อมีศรัทธาในมรรคในผลอย่างนี้ใช่ไหมเราถึงมานั่งสวดมนต์กันตื่นมาแต่เช้าที่สามที่สามครึ่งที่สมาสวดมนต์กัน มีศรัทธามีความเชื่ออย่างนีน้ตัวปฏิบัติกันเหมือนกันเรามีศรัทธามีความเชื่อกันเราเชื่อในชุมชนบอ่อย่าที่ปฏิบัติกันเราก็ทําศรัทธาความเชื่อเนี่ยสําคัญตัวเชื่อไม่ใช่เชื่อแบบหัวปากหัวปาโง่หลงอมงไงไร้ปัญญาไรสาระเราเชื่อว่าเออก็ลองดูเดียมันมีเรื่องแบบนี้อยู่ในโลกด้วยเราก็ลองดูไม่ได้ผิดตรงไหนเนี่ย มีอะรลองก็ลอ ง, ลองเรียนผิดกียังผิดมาเยอะเลยเรียนถูกมันก็มีเรียนถู ก, กเรียนผิด เ, เลือกเป็นที่นี้วัดป่าสุกโตนี่ยสถาบันสติปัฏฐานปายนาวัดก็บอกอยู่ตรงนี้ก็มีข้างๆศาล า, าที่เราสวดมนต์กันเนี่ยก็เพื่อจะได้เตือนใจมีไว้เตือนใจธรรมมาสถาบันสติปัฏฐานวัดป่าสุกโต ตอนนี้ที่สุกโตเรามาซึมซับมาน้อมรับเพื่อให้ธรรมะเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในใจเราเพั้นที่เราสวดมนต์เมื่อกี้พพุทธก็คือเราจิตรู้ตื่นเบิกบานเป็นพุท ธ, ธตัวสติตัวปัญญาเป็นพุท ธ, ธก็คือเรานี่ยแหละจากในหนังสือมันก็มีตัวเราเราเห็นไหมหรือเปล่าธรรมะกะมับมรนกรธรรมะธรรมชาติ ความเป็นธรรมดาธรรมดาแล้วก็มีที่สุดของธรรมชาติมันมีอยู่ที่สุดของธรรมชาตินะมันมีไอ้ีนสมาธิปัญญาเป็นผลที่เกิดขึ้นมาคือพระนิพพานนั่นเป็นผลสูงสุดแล้วแล้วนิพพานก็มีนิพพานยั่งยืนตลอดไปเหมือนมหาเศรษฐีเศรษฐีตลอดไปอย่างเงี้ยกับนิพพานที่เป็นขณะขณะ นิพานคือความเป็นปกติธรรมดาธรรมดาที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละถ้าเข้าใจมันได้ใจเรามันก็ปล่อยวางตรงนั้นแหะขณะนั้นก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นขณะนั้นก็เป็นนิพานทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยใจเราไม่ได้อยู่กับความคิดความคิดเป็นภพภูมิรู้จักไหมได้ยินไหม ความคิดเนี่ยเป็นภพภูมินี่เรามาพบกันที่วัดป่าสกตเห็นกันแต่ในใจเห็นไหมมีพพมีภูมิอยู่เป็นนรมธรรมรักโลภโกรธหลงนะพวกนี้นเป็นภพภูมิเครียดวิตกกังวลแล้วก็อยู่ในความคิดทั้งหมดนั่นแหละคิดมาเมื่อไหร่เงินภพภูมิทันทีรู้เท่ารู้ทันความคิดก็ออกจากภพภูมิทันที คิดแล้วโล ก, ก็เป็นเปรตไงผมเปรตคิดแล้วเครียดหงุดหงิดเป็นพวกสัตว์นรกดีก็ไม่เอาเขาดีก็ไม่ชอบหน้ามันนะเกลียดมันตระกูลเนี่ยมันเคยทำอะไรกับเราพูดอะไรกับเราวะเหม็นหน้ามันดีก็ไม่ฟังดีก็ไม่เอาเขาเรียกว่าเดรัจฉา น, เ, นเคยโดนแม่ด่าป่ะไอ้เดรัจฉานเนี่ยเคยไหม เคยโดนคนอื่นด่าไหมเพื่อนอย่างเงี้ยไอเดลฉานเคยไหมผมรู้จักมานี่เคยดูกดา่าไอเดลฉานไอเดลฉานแม่แม่ดา่าเวลาเราดื้อมากๆสอนไม่ฟังไม่เชื่อทำไมไเรียนแม่แม่ด่าเลยไอเดลฉานตอนหลังปฏิบัติถอดรหัสดูเอ๊แต่ไมต้องถูกด่าแบบนี้ได้ไวโอ้เดลฉานคือขวาง ขวางสัตว์เดรัจฉานในกระดูกสันหลังมันจะขวางกับมนุษย์มนุษย์เนี่ยตั้งฉากใช่ไหมแต่ตอนนี้เรานั่งตั้งฉากใช่ไหมที่ใครง่วงกําลังงอกําลังงอกําลังงอทํำท่าจะเลื่อยนะนั่นนะแหละลักษณะเดรัจฉานมาแล้วเริ่มต้นยืดกันเลยนะค่อยๆ ย, ย, ยืดกันเลยคำ ว, ว่าเดรัจฉานคือคงขวางดีก็ไม่เอาหัวหน้าสั่งดีก็ไม่เอาประธานสั่งดีก็ไม่เอาพ่อแม่สั่ง ในสิ่งที่ดีที่งามทำงานํำการใช้ชีวิตนะั้นก็ไม่เอานะบอกอย่าขับรถย้อนสอนมันขับย้อนสอนนะพวกเดรชาญก็ไปกันทางเดียวไอหนีสวนมาเฉยเลยอะไรเงี้ยนะนะคิดแบบนอกกรอบล้วผิดด้วยอนะไรนะเราจะได้เห็นนะบางทีก็เป็นเทวดาล่างเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาพบภูมิเทวธรรมใจดีใจงามอยากช่วยเหลือคนเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ บางทีก็เป็นพรมมีเมตตากรุวนาเมตตาแบกขาเป็นพรมอยู่ๆว่าเห็นเขามันมีความทุกข์แล้วล่ะต้องช่วยแ ล, ล้วล่ะเดินไปเดินมาเห็นตรงนี้มันมีกล่องนมโอ้มันมันกนะกล่องนมมันอยู่กับใบไม้อย่างเงี้ยขวดน้ำกินทิ้งกันไว้อยู่ใบไม้ก็เก็บ เก็บขยะเสร็จกาไปใส่ที่แยกขยะเยไม่มีใครรู้ไม่มใครเห็นทําดี เ, เงีย้ยงี้เอามีเมตตามีการุณณามีมุทิตาพอ ม, มีความสําเร็จใจมันก็โอ้สุดชื่นมุทิตาจิตเกิดขึ้นมาโอ้เดี๋ยแล้วเดียแล้วสอาดแล้วสอาดแล้วโอ้ช่วยเขาได้แล้วช่วยเขาได้แล้วโอก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทุกข์แล้วใจเราก็พอยมีความสุขไปด้วย สาธุสาธุมาอิจฉาริษยากันตอนข้ามคนเราไม่มีมุติตาจิตก็มีความอิจฉาริษยาตัวตนข้ามเนาะทำดีก็อิจฉากันเด่นเป็นภัย์ละเดี๋ยวมีลูกสกัดดาวลุ่งมาเป็นนะดึงลงดึงลงเรื่อยเข้าอี้มันแล้วก็รู้อยู่ว่าแม้ใจเป็นพรหมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เกิดอะไรขึ้นก็นไม่เป็นไรช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ช่วยเต็มที่แล้วอันนี้ก็เกิดการวางขึ้นมาอุเบกขาหมอพยาบาลช่วยคนไม่ได้ช่วยเขาเขาตายอย่างเงี้ยมีหมอผ่าตัดสมองอยู่คนที่ปฏิบัติข้อที่ผ่านมาที่เรียงมีหมออยู่หลายคนนคนค น, นี้ปรากฏว่าเมื่อก่อนนี่ทุกข์มากแล้วนะรักษาคนแล้วคนก็ตายวางอุเบกขาไม่เป็น อุตสาห์ดูแลกันมาใกล้กชิดกันมามาตายซะเนี่ยตายคามือเราด้วยบางทีแพทย์อินเทิร์เงี้ยโอ้ไม่อยากบรรจุทำงานต่อเลยเราสาคนแล้วคนก็ตายก็คือไม่เห็นพบูมล่บ่มีอยู่ในใจเรานี่ยละคือเราทำงานทำการใช้ชีวิตมันต้องมีความปล่อยวางถ้าไม่ฝึกไม่มีนะตัวนี้ต้องฝึกฝึกผ่าน ตัวสติตัวปัญญารู้สึกตัวอย่าง น, นี้เวลาเราเดินไปเดินมาโปรยยาทิ้งขยะปรากฏว่าป้ายไปตอกติดอยู่กับต้นไม้อย่างเงี้ยนะมันเจ็บปวดบางทีต้นไม้มันเจ็บปวดอัตโปวไปฝังอยู่กับต้นไม้เมื่อวานมีครูอยู่คนหนึ่งชื่อครูพิลาศรักษาง่มก็ไปที่ธรรมกิตติสินก็จบกระเสร็จก็บอกโอ้ ครูเห็นแล้วเจ็บบวดว่ะครูลักต้นไม้ก็ไม่ได้ไปไทำนะเราเห็นพบภูมในจิตใจของเขาเลยว่าโอ้นี่พรมเนี่ยครูคนนี้เป็นพรมนะต้นไม้เป็นเทวธรรมเทวรักนะก็เรียกว่ามีเทวดาอาศัยอยู่ในต้นไม้ทุกต้นนะองค์น้อยองค์ใหญ่นะทีนี้ เจวารักอาศัยอยู่ความดีก็ น, นี้เอารวดไปพันซะเอารวดไปพันเอาเชือกไปมัดต้นไม้เนี่ยมันก็เกี่ยวเลยก็ เ, เห็นก็เลยบอกว่าโอ้มันเจ็บปวดต้นไม้มันเจ็บปวดเราก็เลยบอกว่าจริงจริจรครูผู้ถูกครูผู้ถูกแล้วก็เดินไปแก้รวดทันทีเลยเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่าเนี่ยเราเห็นพบภูมิ การคิดการพูดการทําการแสดงออกเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นอย่างไรชัดเจนนะ ส, สัพสัตสัพสิ่งรูปธรรมนามธรรมเนื่องจากตัวเราเองนเป็นยังไงเราไปอยากให้คนอื่นมาทํากับเราอย่างไงวัตถุรูปธรรมมันก็เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละทั้งมีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองทีนะ น, นี้ถ้าใจเราไม่ดีสิ่งของก็ไม่ดีรถใช้รถก็เป็นรอย มันไม่รักษาใจมันไม่ดีโทรศัพท์ก็เป็นร้อยโมโหกฎเงียบป๋าใส่ป๋าทิ้ ง, ง, งกินข้าวก็ไม่ระมัดระวังถ้วยชามล้ำหายกระเทาะไปหมดโมโหขึ้นมาก็ป๋าถ้วยป๋าจานตีวัวกระทบคลาดทําก็ไม่ได้กระทําของแทนอยเ้ยราก็เลยได้เห็นชีวิตของเราไม่ได้ไปเห็นชีวิตคนอื่นนะเห็นชีวิตของเราเนี่ยละ ผ่านความรู้สึกตัวนะการคิดการพูดการทำนะมีสติก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำขณะคิดขณะพูดขณะทำหลังคิดหลังพูดหลังทำเห็นชัดเลยชีวิตของเรานะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนะอะไรที่มันเคยทำไม่ดีทำให้ตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนทั้งต่อนหน้าและรับหลังก็ไม่ทำนะหรือเลือกทำเพราะว่าจะเรียนรู้ เดนถู ก, ก็เรียนเรียนผิดก็เรียนเรียนรู้แต่ไทยสุดต้องมีปัญญาผ่านให้ได้เลือกให้เป็นอย่างนี้นะมันจึงมีพบภูมิต่างๆมากมายเหลือเกินนำะมาทําคือภายในจิตใจของเราเห็นผ่านความรู้สึกตัวแล้วก็อยู่ในความคิดทั้งหมดนะแบบคิดขึ้นมาคือพบภูมิมนะันจะถูกรู้เถ้าออรู้ทันนะแล้วก็รู้จักกันรู้จักแก้ แกนตัวเองแล้วแก้ไขตัวเองมันไม่ขยันก็ขยันลงไปมันไม่เฉยก็เฉยลงไปมันไม่ให้ให้เข้าไปทั้งวัตถุรูปธรรมทั้งจิตวิญญาณด้วยความบริสุทธิ์ในจะก็เรียกว่ามีพระอยู่ในใจของเราคุณของพระพุทธก็หมายถึงมีเมตตาที่คุณมี ปัญหากรุณาที่คุณนะมีความบริสุทธินะ์บริสุทธิ์ที่คุณเราได้สวดจากนหนังสือกน้อมมาอยู่ที่ตัวเราธรรมชาติก็เหมือนกันนะคุณอนันต์ก็โทษมหันธรรมชาติธรรมะเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมอะไรที่เป็นคุณอนันต์นั้นก็ยัยโทษอย่างมาโหลานเลยรเรียกว่ารักมากเป็นคุณอนันาก็เกียดมากเหมือนกันเป็นคุณเป็นโทษนะเป็น คุณนานเป็นโทษมหันเราก็โอ้มันมีจริงๆอยู่ในชีวิตของเราที่กายที่วาจาที่จิตใจของเรามีการแสดงออกความคิดเนี่ยเป็นคุณนานก็เป็นโทษมหันเหมือนกันคิดช่วยเหลือผู้อื่นแต่ท้ายสุดก็คืออาจารย์มาไผู้อื่นก็ได้ก็ต้องระวังหรือบางทีเราก็ช่วยตัวเองเบียดเบียนตัวเองบางทีมันก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันไปด้วยกัน เราก็ได้เห็นการเคลื่อนการไหวนี่นะอาการต่างๆปริยาอาการต่างๆมันแสดงออกมาเป็นปรากฏการณ์ขณะต่อขณะนะอย่างเมื่อกี้มีอยู่คนนึงขณะที่เราปฏิบัติกันก็กเดินลงนะก็เดินลงไปเราก็เห็นโอ้ในความคิดมันสั่งอีกแล้วนะกิจกรรมดีๆไม่ทำไม่เข้าใจมันเดินลงไปนะไม่ว่ากันนะแต่ถ้ามาฝึกมา รู้สองน้องรู้หนึ่งเราต้องชี้นากันอย่าชวนกันหลงให้ชวนกันรู้ชวนกันมีความลึกตัววัดป่าสุโตเรานะของเราโยมปฏิบัติคารวะปฏิบัติก็บรรลุทำได้พระสงฆ์ปฏิบัติก็บรรลุทำได้พระสงฆ์บรรลุก็เรียกอริยะสงฆ์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเยอริยะสงฆ์ โยมปฏิบัติก็เรียกอริยะบุคคลอันเดียวกันเราก็เลยพารู้สึกตัวในรูปแบบเมื่อกี้ห้านาทีเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เกี่ยวกับบวนไม่เ่เกี่ยวกับรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวนะแต่สมมติบัญญัติอย่างเช่นเดี๋ยวเรากราบพระลงไปต่างคนก็ต่งตางสแสดงรูปธรรมในตัวของเราสมมติบัญญัติในตัวของเรา เฉีนโยมบางคนก็ต้องไปกวาดจะมีบาทเดินตามพระไม่ได้เดี๋ยวพระบางรูปก็ต้องไปวินาบาทก็ต้องถือบาทตามสมมติบัญญัตินะอันนี้นคือสมมุติไงไปโยมก็กลา่ า, กลาวก็ว่าให้เข้าส่วนโยมลองถือบาทไปคนเดียวเลยเผลอๆโดนไม้ไล่ตีเลยล่ะเออบ้าเขาบอกเนี่ยเอาบาทพระมาเดินนี่ยเขไมยอมรับใช่ไหมอย่าประเทศไทยเหมือนกันใส่บาทนี่เขยอมรับ ว่าทำไทยประเพณีไทยลองไปบางประเทศดูสิเพเผลอก็ตายมันเป็นสมมุติบรรญัตอันนี้เราก็ต้องเข้าใจกันไม่ได้หมายถึงว่ามันถูกมันผิดแต่หมายถึงว่ามันเป็นวินยัยเป็นศีลของของสังคมกฎกติกาของสังคมที่ปกติเขาทำกันยังไงก็สืบทอดกันมา อันนี้ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันในแง่ของสมมติบัญญัติแต่ในแง่ของความริงความรู้สึกตัวอันเดียวกันเราก็จึงไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องอะไรทั้งหมดนั่นนะแต่ว่าให้เวลากับเรื่องของความรู้สึกตัวให้โอกาสกับความรู้สึกตัวปลุกความรู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นมาให้ได้จะสามวันเจวันเนี่ย ก, ก็แล้วแต่ขอให้ฝึกให้หัดไว้ก่อน ปกตินี่หลายที่เนะี่ยที่รู้ๆในประเทศไทยเนะี่ยก็ไม่ได้รับหลอก3วัน7วัน5วันอะไรพวกนะี้จะมากี่ปีเนะี่ยก็ถามเป็นปนะถ้าอยู่ก็ต้องอยู่ให้ถึงสามปีห้าปถ้าจะอยู่กันฝึกกันจริงๆนะแต่ก็เราเป็นการเปิดโอกาสกาันให้โอกาสกาันแล้วก็ควรให้โอกาสตัวเองกันด้วยเอาแล้พูดมาสมควรกับเวลาก็ขอให้เราได้ใช้สิ่งแวดล้อมสถานที่กันฝึกสติ มีความรู้สึกตัวโทษพร้อมกันในทุกๆตารางนิ้วของวัฏป่าสุกโตในรูปแบบนนรูปแบบเพื่อให้ความปฏิบัติดีของเราทั้งหลายนั้นนะนะเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกหรือว่าการประพฤต์โทมจารย์ของเราทั้งหลายนั้นนะก็หมายถึงว่าเราเข้าใจสภาวะบ้างแล้วเราใช้ชีวิตโอาจันของเราด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณนะ์นะนะเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกขโดยทั่วน้าการทุกท่านทุกคนทันทอ